สนาแผนที่77ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดพุดรธตนีแสดงทางมในวันที่19มิถนายน2558มีชื่อเรื่องว่าฝึกใจอย่าให้ลุ่หลง วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดว่างานของหลวงพ่อสดปัดป่าบ้านเพิ่มคงจะฉันจังหันวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันอาทิตย์ สวดมนต์วันเสาร์เย็นเช้าตักบาตรทำบุญทำบุญวันเกิดของท่านแต่ก็ไม่ทราบว่าวันเกิดของท่านจริงๆเป็นวันที่เท่าไหร่เพราะท่านไม่ได้เอาวันที่ท่านย้ายไปใส่สู่วันเสาร์อาทิตย์เพื่อความสะดวกของญาติโยมเราก็เลยไม่รู้ว่าท่านเกิดวันไหนแน่ พอใกล้วันอาทิตย์ท่านก็ใส่วันเสาร์อาทิตย์เพื่อสะดวกกับผู้ที่มาร่วมทาบุญแต่สำหรับหลวงพ่อเนี่ยเอาวันที่ย7บเจ็ตายตัวเลยใครมาก็ได้แม่มาก็ได้ลูกหลาน้าไม่มาก็ยกมือแสดงความยินดีก็ จ, จบอนุโมทนาจบ เมื่อวานหลวงพ่อได้แนะนำศรัทธาญาติโยมลูกหลานอย่างที่ได้บอกกล่าวแต่ละวันก็อยากจะไม่ให้อยากกำถึงพูดจะเป็นคำซ้ำกันก็จะไม่ให้ซ้ำใกล้กันจนเกินไปเหมือนกับเราได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ลุ่นปู่ลุ่นทวดของพวกเราโดยมากท่านจะพูดย้ำใครมาต้องก็พูดเรื่องเก่าๆให้คณะสัตทาญาติโจมฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศนาของหลวงปู่ฟัน้นที่เราได้ยินท่านก็ย้ำเรื่องที่ท่านเคยพูดแต่ตามไม่จริงไปจะไปตำหนิท่านก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะพวกที่มาเนะี่ยไม่ไม่ซ้ำหน้ากัน บางทีมาจากต่างังหวัดอื่นๆไกลๆมาท่านก็เทศให้ฟังแนวความคิดขององค์ท่านท่านไหนปฏิบัติอย่างไรให้มีพุโทโธตําใจให้เย็นตําใจให้สบายมันก็ถูกถูกคำของท่านทุกอย่างเพฉะนนั้การธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำสัง่งสอนบอกกล่าว มันก็เป็นนิสัยอุปนิสัยของท่านท่านจะเน้นหนักอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของท่านเหมือนกับหมอยานะท่านจะให้ยาอย่างไงกับผู้ที่ป่วยทางด้านจิตใจพวกร้มันป่วยนะป่วยทางด้านจิตใจคือกิเลสนะกิเลสราคะโทสะโมหะมันไม่อยู่กับที่มันไม่คงที่มันมีขึ้นมันมีลง ในจิตใจของปุถุชนบางทีก็โกรธบางทีก็โลภบางทีก็หลงบางทีก็รักมันมีมากหลากหลายในจิตใจของปุถุชนเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รับอัรับธรรมได้ฝึกฝนฝึกฝนทางด้านจิตใจมาแล้วท่านก็พยายามบอกกล่าวแนะนําพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้าไปสู่วัดของท่าน อันนี้พวกเราก็ได้ยินธรรมเทศนาที่เราอัดเทปไว้จากนั้นหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านก็ล่วงลับดับขันไปหมดแล้วยังเหลือแต่เสียงของท่านยังแนะนำบอกกล่าวลูกหลานอยู่ก็นัว่าเป็นผู้โชคดีพวกเราท่านทั้งหลายเพราะท่านมาถึงอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันแต่ละวันหลวงพ่อก็ พยายามที่จะบอกกล่าวแนะนําบางเรื่องก็ยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาบางทีก็ยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลกูกหลานเพื่อให้ได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าใี่ว่าผู้ฟังจอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด ก็จะเข้าใ จ, ใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังฟังอัดฟังทำฟังหลักเหตุผลก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการฟังท่านยกเป็นบาลีว่าฉุดตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ตัดสินใจได้ในทางที่ถูกต้องพอเราได้ยินได้ฟังมามากอันนี้หน่อกินตามยะปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งซะก่อน จากนั้นก็นํามาพิจารณาถอนออกความจากความสงบมาพิจารณาการลองไตรตองอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาแต่ว่าใครจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่พระพุทธศาสนาก็ตืออย่างสามาัญชนจะเป็นศาสนาอื่นก็ได้แต่ทําจิตใจให้นิ่งซะก่อน จิตใจอยู่ซะก่อนที่เป็นจิตใจที่เป็นสมาธิซะก่อนแล้วจะนามาพิจารณาในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็เป็นปัญญาที่ตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของเราผ่านความเน่งความสงบแต่ถ้าว่าจิตใจของเรายุ่งเหงิงวุ่นวายพิษตกกังวลในเรื่องต่างๆจิตใจของเราไม่เน่งไม่เรื่องอะไรตัวไม่อะไรแล้วจะมาตัดสินใจเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ เพราะจิตใจในช่วงนั้นปั่นปวนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและจะมาตัดตัดสิ้นใจในเรื่องนั้นไม่ได้ไม่น่าเชื่อถือต้องให้ไปสงบจิตสงบใจซะก่อนล้วงค่อยมาพูดกันนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือให้พวกเราให้มีสติแน่วแน่แนิ่งซะก่อนอยู่กับตัวเองซะก่อนจากนั้นกือนานำความคิดที่จิตใจที่สงบนั้น ผ่านความสงบนั้นมาพิจมาพูดมาตัดสินใจในเรื่องนั้นนัอันนี้เราบอกภาวนาเมายปัญญาปัญญาก็เกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจที่เป็นหนึ่งซะก่อนแล้วจะน้อยค่อยนํามาตัดสินใจในเรื่องนั้นอันนี้เป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาบกที่ท่านได้ใช้มาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็บอกวน่าสัมมตหาคือทำจิตใจให้สงบจากนั้นเมื่อจิตใจผ่านสงบแล้วก็เดินวิปัสสนาวิปัสสนาคือค้นคิดคุ้นคิดค้นคิดหาหลักเหตุผลในเรื่องนั้นๆแต่ในหลักทางโลกของเขาเราจะนำไปใช้ก็ได้อย่างหลวงพ่อเคยแนะนำสมมติว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นมากับเราอ่า เกิด ข, ขึ้นมาเราเอ๊ะมันเรื่องนี้มันมาจากไหน เ, เราหาต้นปลายสาเหตุไม่ได้แต่มันทาไมมันเกิดมาอย่างนี้กับเราบางทีติชินนินทาเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมามันมาอย่างไงในเรื่องนอี้จากนั้นเราก็เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาทำใจให้เน่งเน่งจะทาจิตใจให้สบายสบาย Uh จากนั้นพอจิตใจแน่งสบายจิตใจไม่คิดไปทางอื่นไม่ปุ่งฟุ้งไปทางอื่นจากนั้นเราก็ย้อนเข้ามาหาตัวเองดูใจของตนเองไม่ให้เข้าข้างตัวเองและไม่ให้ครอบข้างคนอื่นแค่ว่าจิตใจให้เป็นกลางไม่ให้เข้าข้างตัวเองต้อเองโทษ ก, ก็ไม่ว่าเพิดก็ไม่ว่านะแต่ตามไม่จริงมันมันจะเข้าข้างตัวเองอยู่ยละใจนะ ถึงจะถุกผิดขนาดไหนมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ทําอย่างเราไม่ได้ทําอย่างนี้ไงอันนี้คื อ, คอใจของปูุ้ชนแต่ถึงอย่างไงในขณะที่เราเดินจงกรมแล้วนั่งภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยบทเดินจะเหมาะกว่าพอเดินเดินกลับไปกลับมาแล้วก็คิดพอจากนั้นทําจะให้นิ่งๆติดจะให้สบสบายๆทำใจให้เป็นกลางๆไม่เข้าข้างใครจากนั้นเราก็ คุณคิดค้นคิดหาต้นเหตุที่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยอะไรที่เราได้ยินคำแรกที่คนมาพูดหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดมาจากไหนใครเป็นต้นเหตุใงเรื่องนี้เออเรือเรามันผิดจริงฮคือเราไม่เอาเข้าข้างตัวเองนะเรามันผิดจริงเราเนี่ยทำความช่วจริงผิดจริงใช่หรือไม่หรือเราไม่ได้ผิดอะไร มันเรื่องเรามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเขาเออใส่เรื่องใส่ความหรือว่าใครเป็นคนอิจชาหรือว่ามีอะไรบ้างในเรื่องนีเออ้เมื่อเราทำใจให้เป็นกลางๆจากนั้นเราตูย้อนไปหาเหตุนะพย้อนผ้าเหตุเราก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลย เ, ออเรื่องนี้มันมันต้องแก้ไขอย่างนี้ต้องประสานอย่างนี้ต้องไปพูดคุยกับคนนี้คนนั้น เพราะมันมาจากจุดนี้แน่ๆแต่โดยมากไม่ค่อยผิดพลาดนะที่หลวงพ่อเคยเคยเดินมานี่แล้วอันนี้คือเราใช้ความสงบสยบความที่ไม่ชอบมาพาคนที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือเราใช้ใช้สมาธิในการในการหาหาเรื่องหาหาต้นเหตุ หาต้นเหตุแห่งที่มันมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เร า, เ, าเราเราจะนำมาใช้ทางจิปัญญานี้ก็ได้แต่เราคิดมาเราจะไม่คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่น เ, เราจะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแต่ถ้าหาวันเราคิดขึ้นมาแล้วเรามีแต่จะเอาเปรียบคนอื่นมีแต่จะคดจะโกงคนอื่นอันไหนเราจะได้เปรียบ อันนั้นเป็นว่ า, าปัญญามิจฉาทิฐิแปลว่าคิดทางผิดก็ไปทางผิดได้เหมือนกันพรามที่จะรับโทษหนักได้เหมือนกันเพราะตัวนี้มันมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะทั้งคิน ค, คดคิดคิดคดไปในทางคิดไปในทางที่ดีก็เป็นสัมมาทิฐิ <c oughs> เป็นทางออกของเรา เ, าเป็นทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ถ้าคิดไปในทางที่จะเอารัดโอเปรียบหรือจะคดจะโกงจะใช้ชั้นเชิงเล่เหลี่ยมกับคนอื่นมันก็เป็นได้เหมือนกันอันนั้นแปว่ามิจฉาทิฏฐินี่แหละอันนี้ก็คือการใช้ความคิดในขณะที่เรามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเราเราจะใช้ปัญญาจุดนี้คือความสงบนิ่งสะกดแล้วก็นำมาคิดนำมาพิจารณาหาเหตุและผล ในเรื่องนั้นๆอันนี้เราก็ทำได้แต่ทิ้งยังไงต้องต้องคิดไว้ในใจอย่าเข้าข้างตัวเองแล้วอย่าคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นต้องเป็นเป็นผู้มีธรรมในจิตใจนะอันนี้ก็คือทางภายนอกแต่ส่วนภายในในเมื่อเราจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะเรา็นมาพิจารณากันกลองไตรตรองด้วยปัญญาของเรา จิตใจของเรามันหลงอะไรนะเออมันหามันหาหมุมของกิเลส่นนะไรน อ, อมันกิเลสของเรามันหลงอะไร อ, อ่แต่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกได้เลยว่ามันหลงกายนะเพราะนั้นมันหลงกายพระพุทธเจ้าจึงพอพระเข้ามาบวชใหม่สมณเนรเข้ามาบวชใหม่ท่านท่านจึงให้เรียนกรรมฐานห้าเลยนะเกษารนะโลมานขาทัานตาตะโจ ให้เรียนกรรมฐานทำไมบวชเข้ามาจึงให้เรียนกรรมฐานให้เรียนกรรมฐานห้านะทำไมให้เรียนร่างกายของตนเองเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะมีเวลาน้อยนะ ต, ต่อไปจึงค่อยขยายผลเมื่อบวชเข้ามาแล้วมีเวลาอันนี้เบื้องตน้นให้เรียนรู้เท่านี้ซะก่อนนี่พระอุปชาท่านสอนกรรมฐาน สำหรับพระบวชใหม่สมณเณรบวชใหม่อถ้าว่าผู้บวชเข้ามาแล้วไม่สอนกรรมฐานห้าแปลว่าไม่สมบูรณ์ในการบวชของของท่านของท่านนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีทุกองค์ <c oughs> สอนกันมาโยตโดยตลอดกรรมฐานห้านี่แหละเกสาโรวมานขาทันตาตะจเูเพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อทํา เมื่อจิตใจของเราเป็นสมัติสมถะหรือว่าสมาธิเมื่อจิตใจที่เป็นสมาธิผ่านความสงบแล้วนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเมื่อผ่านความสงบแล้วเราจะใช้ปัญญาไปในทางโลกเราก็ใช้อีกอย่างแต่ใช้มาทางธรรมเราก็ต้องมาค้นคิดดูจิตดูใจของพวกเราใจของตัวเองใจของเรามันหลงอะไระมันหลงร่างกายร่างกายนี่จะอยู่นานไหมนี่ย เห็นเนียเห็นไหมแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดเนี่ยมันก็คิดว่าจะอยู่นานมีความสุขเห็นอะไรก็อยากจะได้ทั้งหมดโลภโกรธโลงทั้งหมดทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งรักทั้งเกลียดทั้งชังครอบหมดทุกอย่างเลยในใจของเราอถ้าเรามีสตินะถ้าไม่มีสติก็อย่างว่าเหมือนกันนะคิดทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติก็ ตามหาไม่เจอเพราะอะไรเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะนะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าผู้ฟังย่อมได้ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจนถึงภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาเราจะรู้ได้ไง เ, เรานึกคิดเรื่องอะไรมีเหตุมีผลไหมถูกต้องไม่ถูกต้อ ง, ม, องมันลุ่มหลงจริงไหม ตามหลักธรรมคำศัสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกไว้มันหลงจริงไหมหลงร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไง เ, เราให้ความสำคัญมันมันก็สำคัญมันเลิศเล อ, เ อ, อมันเหยียบย่ำจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันมันก็ไม่มันก็ไม่มีความสำคัญเพราะเหตุใดเพราะเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจบแล้วก็ตาย ตายแล้วก็ไปที่ไห น, นเอาไปเผาไฟเอาไปฝังดินอแต่สุดแท้แต่ตายได้ไหนตายแล้วก็หมดสภาพถึงจะมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็เถอะถ้าไปตายอยู่ในป่าในโรงพงไพอก็เป็นอาหารแม ล, ง ว, ง, มลงวันเป็นอาหารหนอนทั้งหมดร่างกายของเราเนี่แหละอันนี้คือร่างกายโดยมากหลงร่างกาย พอหลงหลงร่างกายแล้วก็หลงเลยอย่างอื่นแทนเอยหลงสามีภรรยาลูกเต่าเราล้านญาติทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์มันหลงไปหมดพอหลงไปแล้วก็เนี่ะ ก, ก็ต้องแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นบุคคลสําคัญขึ้นมาทนพอมันหลงร่างกายอแต่นนะพระพุทธเจ้ า, าท่านว่าให้หลงอย่าไปหลงร่างกายแต่สิ่งภายนอกก็ใช่ในเมื่อถึง จุดยังไงเราก็ให้รู้แต่เราไม่หลงเราอยู่ในสภาพเช่นไรเราก็รู้แต่เราไม่หลงนะให้เป็นภาษาใจอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้เป็นภาษาใจของตนเองอยู่เสมอตัวของเราคืออะไรแต่ภายนอกเราทําเราทําอย่างที่โลกสมมุติเขาให้ทําถ้าเราไม่ทําเขาก็เรียกว่าเราเป็นบ้าอีกเหมือนกันนะออ แต่เมื่อเราสมบูรณ์ธทําเราก็ทําทําตามโลกสมมุติให้ดีที่สดุดอย่างเราอยู่ในสถานะไหนออย่างหลวงพ่ออยู่ในส ถ, นะสถานะหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็พยายามบริหารดูแลลูกน้องบริวาลรลูกศิษย์ลูกหาจัดทาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องวัดวาศาสานาตรงไหนเป็นยังไงบริหารให้ดีที่สดุดให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมอจะไม่ให้ผิดธรรมวินยัยจะไม่ให้ผิด กฎหมายบ้านเมืองจะทำให้ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราจะพยายามทาให้ดีที่สุดอันนี้อันนี้ก็คือเราอยู่ในสถานะไหนแต่ในใจส่วนลึกของเราแล้วนะหลวงพ่อคิดไว้อยู่ในใจตลอดเวลาแต่คานั้นถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่พูดออกมาแต่ในใจของเราเราถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่ง เราจะต้องทิ้งทั้งหมดเราเอาไปด้วยไม่ได้ขนาดร่างกายของเราเนี่ยก็เถอะอย่างคาว่าหน้าตาสื่อเสียงยศถาบรรดาศั์วัดวาศาสนาลูกน้องบริวารศรัทธายาิโยมถึงจะเป็นห่วยเป็นของหลวงพ่ออินก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินก็จะต้องทิ้งทั้งร่างตัวเองด้วยเอาเผาไฟทิ้งด้วยไม่มีอะไรเหลือแม้แต่น้อยเดียว เหลือแต่คุณงามความดีที่เราได้ทำมาไว้นี่แหละต้องคิดไว้นะอันนี้ก็คือเป็นภาษาใจของตนเองจากนั้นในเมื่อเรามองเหล่านี้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เข้ามาสู่จิตใจของเรามันดูใจของเราเมื่อใจของเราเห็นไหมโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะเป็นลุ่มหลง ม, มัวเมาอะไรมันมีทุกข์ไหมมีทุกข์กายไหมทุกข์ใจไหม ทุกกายก็คือหิวกระหายเก็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นวเวทนากายแต่เวเวทนาจิต เ, เปลวนาจิตเนี่ยคือความทุกข์มันไม่ได้สมหวังดังปรารถนาบางทนะีคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้นไปอย่างนั้นวัดไปอย่างนั้นลูกจิตลูกหาไปอย่างนี้นครูบาอาจารย์ไปอย่านีน้ไม่พอใจอไม่ความไม่พอใจในใจอันนั้นเราว่า ทุกทุ ก, กเวทนาทางจิตเวทนามันมีอยู่สองทางนะทางจิตและทางกายเพราะฉะนั้นเราต้องดูทั้งสงทั้งสองข้างมันเกิดเวทนาทางจิตมันเกิดมาเพราะอะไรเวทนาทางจิตเนี่ยความไม่พอใจจุดนี้มันเป็นเรื่องกิเลส ข, ของเราใช่ไหมเรื่องมันเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาแต่เมื่อภายนอกเข้ามาก็เถอะโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปแบกไปทุกข์กับในสิ่งเหล่านั้น มันก็ไม่น่าจะใช่นะใจนะนี่แหละเอาธรรมะเขามาสอนใจแทเนีเ่ยมันเวทนาทางกายเราก็รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันหนีไม่พ้นล่ะหิวกระหายเราก็ต้องดูแลมันเหมือนกับดูแลรถคันนี้ละ เ, เวลาวิ่งไปนะอย่าให้มันตากแดดมากเกินไปแล้วก็เติมน้ำน้ำมันน้ามันเครื่องน้ำให้มันให้มันมีหม้อน้าอย่าได้ขาด อันไหนที่เราจะดูแลได้คือดูแลกายดูลดดูแลดแ ล, ลดคะเนนด้วยความประครบประงมเออพอเราได้ใช้มันมันเกิดประโยชน์สาหรับเราเราก็ต้องดูแลมันเนี่ยเหมือนกับเราดูแลร่างกายนะเราก็ต้องพาขับพาถ่ายพาอยู่พากินสะอาดทำความสะอาดเ อ, อร่างกายอาบน้ำออให้พักให้พรอนด้วยความทะนุถนอมอันนี้คือใจของเราดูแลร่า ง, างกาย ถึงจะดูแลขนาดไหนก็เถอนะได้ใจนะดูแลร่างกายเลยมันไม่เป็นของเรานะมันเป็นอื่นอยู่เสมอนะถึงจะเลี้ยงให้ดีขนาดนี้แต่แกเจ็บตายก็จะต้องไปตามสภาพของมันไนดะใจนะอย่าหลงจุดนี้อีกนะนะีอันนี้คือใจของเราเราก็ดูดูร่างกายจากนั้นเมื่อเจ็บเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่ยวยเราก็หาอยุกหายาดูแลรักษาแต่ถึงยังไงก็ทําใจไว้อยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะ เอออันนี้เพียงนิดเดียวต่อไปภายภาคหน้าเนะ่จะต้องมากกว่านี้นะใจนะจะต้องถึงที่สุดนะใจนะคือทำใจในใจสรุปแล้วก็คือให้รู้กายรู้กายรู้ใจรู้กายถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามทำให้ดีที่สุดในเมื่อดีที่สุดแล้วจะทำยังไงได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ทิ้งหมดทาดันเราจะไม่ทิ้งหรอ เราจะกาะกอดอยู่อย่างนี้เหรอเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมใจฮะในเมื่อเราเพิจารณารอบด้านรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะใจของเราจะรู้เอออันไหนเป็นอันไหนจากนั้นของมันปล่อยวางเลึกๆอยู่ในใจเอาเถอะถึงเมื่อคราวจําเป็นแล้วเราก็ต้องทิ้งเหมือนกับ อ, อันวะเราจะไปกาะกอดอยู่ได้อย่างไงเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของร่างกายจากนั้นก็มาหาใจอีกที ดูนะใจนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะอีกสักวันหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องพัดพลากจากหลงไปเป็นธรรมดามันเพราะอะไรเราไปให้ความสําคัญมันมากเราจึงทุกมากมันทุกมันมาจากไหนทุกมาจากความพอใจ เ, อเมื่อเมื่อพอใจได้ของดีมาแล้วก็พัดพลากไปก็ทกใจไอ้สิ่งไหนที่ไม่ได้อย่างใจที่ใจของเราไม่ได้อย่างใจเราเราก็ทกอีก มันทุกใจนี่ใจของเรานะ่มันมีแต่มันเป็นอเนจังนะของไม่เที่ยงมันเกิดอยู่ในนี้อยู่ในใจของเราเนะนี่ยอเนจังคือของไม่เที่ยง เ, เดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็คิดนี้คิดนี้คิดนั่นคิดนั่ น, น, นถ้าเรามีภาวนามมยะปัญญานะี่มีภาวนามายะปัญญาเป็นพื้นฐานมีสติอยู่กับตัวเองนะจิตใจสงบแนละ้วเราจะเห็นได้นะถ้าเห็นได้จุดในที่ใจมัน กระดุกกระเดกกระดุกกระเดกคิดแล้วก็ดำแล้วก็ขาวแล้วก็ดำคิดถูกทกสุขทกสุขทุกสุขสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงในหลักธรรมคาสอนสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกมันทุกชัดชัดนะจิตใจที่มันตรงไม่สแตนด์ดัตจิตใจวันไหวกวยแขวนมันทุกจริงจริงนะนี่เมื่อเห็นจุดนี้จิตที่สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งไหนเป็นทุกจะมายึดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรไม่ใช่ตัวตนของเราณใจนะปล่อยวางณใจนะนี่แหละมาถึงจุดนี้แหละคือธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นธรรมคำเป็นธรรมสูงสุดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นะ้แนะนําสั่งสอนคือธรรมะอนัตตาปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ เมื่อปล่อยวางจุดนี้แล้วนะความบริสุทธิ์ตุดพ้นไม่ต้องหาที่ไหนมรรคผลที่พานไม่ต้องหาที่ไหนไม่ต้องพูดว่าฌานนั้นบอกปทมมาฌานตูติเจตฌานจติเจตฌานจตุชจฌานละตรงนั้นละตัวนี้ไม่ต้องคิดละตรงไหนดูที่ใจมันละเทใจไม่คิดมั่นถือมั่นที่ใจปล่อยวางที่ใจเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิธาเกิดเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยิดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นล่ะมรรคผลที่พานอยู่ตรงนั้นอไม่ต้อง ภาวนาเรียงแบบชานนั่นชานนี่หรอกนะพวกเราเป็นกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นต้องปฏิบัติอย่างนี้นะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาทบทวนดูสิว่าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เนะ่เป็นยังไงมีเหตุมีผลไหมถูกต้องไหมมีเหตุมีผลไหม เป็นไปได้ไหมพวกเราต้องใช้ปัญญาเท่าที่ปัญญาของเรามีนะใครมีปัญญาเท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะอตอนนี้ไปพระสงค์อนุโมทนาให้พรรับพร